สิขาบทที่4ว่าด้วยการช่วยทําการขวนขวายเพื่อคระหัสเครื่องภิกษุณีหลายรูป990สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หนพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศธธรษฐีเขตกรุงสาวกทีครั้งนั้นพวกภิกษุณีช่วยทําการขวนขวายเพื่อคระหัสบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตนําหนิพระนามโพลธนาว่า